พ่ายากันนะประเดี๋ยวทากันเถอะพวกเราเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเรานี่นอกตัวเรามาเป็นเรื่องปฏิบัติเพราะเรามีหลักคือมีสติเราสร้างสติมีสติเพื่อสติตั้งมันการเชืช่อยิต สิงใดที่เก่ขึ้นในกายนอกกาย้ในเจอนอกใจเอามาเป็นเรื่องปฏิบัติเอาสติเข้าไปเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนได้สทิที่มันเกิดกับกายกับใจเรานี่หลงเปลี่ยนเป็นลูกเหมือนทุกเปลี่ยนเป็นลูกมันโกรธเปลี่ยนเป็นลูกมันมีอะไรเกิดขึ้นอีเกียจครกงงงานง่วงเอาหอนอน เลยชนาเปลี่ยนเป็นลูกนี่เลย ว, ว่าหัดตนสอนตนบางเปลี่ยนได้จริงๆเชื่อวันเชื่อฝีมือเชื่อธรรม ะ, ะหลักปฏิบัติแต่ก่อนนี้ไม่มีใครบอกใครสอนเลยทีอ้ถือโน่นถือนี่ ย, ยึดนู่น ย, ยึดนี่เอาความดีจากกันเดื่นเอาความผิดความถูกจากสิ่งอื่น ไม่ได้เห็นตัวเองมองจุกจิกทุกข์จากสิ่งองื่นอดีวิเศษก็ให้อันอื่นพาดีวิเศษอาถาอาคมหบเครื่องรางของของถือดูดงามยามดีวันเวลาอะไรต่างๆเอาความผิดเอาความถูกจากสิ่งนอกกายนอาากใจ ไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยพอมาอบหลงเพอดิเห็นพอดิเห็นสอนเรื่องนี้สมงปัดลองดูสองปัดลองดูมีสติติใช่ได้ตั้งแต่ต้นโดยทีเดียวไม่เหมือนทำเหอนอื่นปฏิบัตรทริทาทำนี่เป็นปัจจิตตังทันทีเลยมีประโยนชน์เหนี่ยในสก่อขึ้นเจอผู้ปฏิบัติ ก็รับผิดชอบเรื่องนี้เมื่อปฏิบัติจากนี้ก็เห็นอะไรเรยอะแยะไปหมดเลยในโลกนี่ที่ไม่ถูกต้องว่ากป็จิตเป็นงานเป็นหน้าที่เสนอจิตอาสาเข้าไปทันทีเชียงหวาเชียงหลก็ลงขเขนนใจในทีบาทีก็อยากออกหน้าด้วยมันมีเราร่วมไม่เริง ความคิดเกณฑ์การดนทำประต่ า, างๆความตป้นอยู่ในหมู่คณะในจินตเวโอ่ล้มไปก็มีบางอย่างอะไรไม่ดีอะไรควรจะดีอะไรควจรควจะเชื่อใครทำตันไปเองเมื่อมีเจนชีวัดความถูกต้องที่มีในตัวเรานอกตัวเราเป็นสากล ก็มัดใจว่าเออชีวิตของคนเหนื่ยถ้ามาชีษิตนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนผู้มีปัญญาชนไม่ใช่คนผ่านยอมรับได้ก็เตียวเนาะต้องเป็นแน่นอนเรื่องนี้ต้องมีผู้ที่เกิดแนวร่วมยอมรับเรื่องนี้มากขึ้นก็เกิดหน้าที่โดยตรงกัวที เมื่อมีคนยอมเรากมองอ ท, ทุกทุกอย่างทะลุทะลวงไปหลายอย่างาก็ได้มีโอกาสได้บอกความทีคกลมจริงออกไปเรื่อยๆไปบางทีก็ไปกับน้อง่าเดียนเ ม, มื่ิกออกเองด้วยตัวเองนี่คือทานำพาไปเห็นอะไรต่างๆลู่ผู้ลู่คนลู่คำสอน รู้สถานที่เป็นอย่างไรถูกต้องผิดอย่างไรเขาเคยเห็นมาเรื่องนี้เราจึงงันใจที่จะรู้การปฏิบัติธรรมเน่เพราะเหมือนเจอได้ไม่เปลี่ยนได้คัดเตืยอกได้ในตัวเรานี่มันมาเลยกลก็รู้าไป มันก็อยอนตรงนี้ขาย้อนเปลี่ยนร้ายเป็นดีอยากให้มันมีความไม่ดีเกิดขึ้นที่ขาที่ใจแม้ความไม่ดีเกิดขึ้นจากต่างกายร่องใจก็ไม่ทอดทิ้งถือว่าเป็นการบาน ท, ทำไม่ได้ก็พยายามทำจึงเป็นความชอบเกิดขึ้นในชีวิตถึงสินการปฏิบัติธรรม ว่าต้องมีใครบอกใครเกีย์ใครโฉนหน้าที่การงานดูต่งตางๆดูออกฟองเสียงทุกเสียงกับเหมือนเสียงเขาโวนดนุนก็ว่าลาย ก, ก็เป็นดีก็ว่าดีก็คิดว่างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกคนทุกคนเป็นพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความดีในตัวทุกคน มาไปชอบเอาลบคำเขาลบผู้คนอยู่ที่ใดที่ไหนก็ตามคือการปฏิบัติธรรมมาดีเลือกการละทิ้งจะอะไรที่เด้งเป็นความดีทุกโอกาสเอาลบกันไปเลยสงบกั็นไปเลยลด ความดูด้ยลงไปเลยหมดพิษหมดภัยไปเลยโรค ก, ก่อนไม่ร่วงเกินไม่แม้ทั่งความคิดไม่ร่วงเกินก่อนใน mm hmm. ด้านความคิดแม้เขาจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ร่วงเกินเขาหรือเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั่นนี่ไม่ไดีเป็นแบบดัน mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแสดงให้รู้เรื่องนี้ ต่างไม่เกิดความขยันทำไมมีงานการมากขึ้นเกิดความรับผิดชอบขึ้นมาในหลักการปฏิบัติต่ความถูกความผิดได้บอกได้สอนได้เชื่อได้ไขายได้ปรึกษาหาดืึยิ่งเรายังก็มีผูกพันกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับมูมิดเพื่อนฝูงกับประเทศชาติกับสิง่งวัล้อ มันก็ว่องใจพรพศาลพลังศรัทธาพลังความเพียรพลังแห่งน้ำใจเพิ่มเติมยิ่งใหญ่ฏิบัติ่เราในมันเป็นไปเองเราก็เป็นอย่างนั้นทุกคนทุกชีวิตมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในการ ใ, ในใจเราเนี่ อยากบเกื่อนตัวเองเวลาใดมันทัดแสงออกก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละโอกาสนาทีทองนาทีทองเกิดขึ้นจอผู้ปฏิบัติธรรมด้วเห็นส่งที่มาดีเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นมีอาราภ่างทีมันก็มีนิ ส, ส, นนสัยก็สนุกเป็นส่วนตัวสนุกเป็นส่วนตัว ทุกคนมีนิสัยมาใช้ชีวิตที่ผิดผิดพลาดมาถ้าทำดีก็อาจจะติดความดีมาฉายถ้าทำชั่วก็อาจจะติดความชัวมาชา่วมาฉายก็จะได้แสดงได้ลบได้ล้างไดเปลี่ยนความิสุทธิ์เข้าไปเ ร, าเรื่องความว้าดีที่เกิดขึ้นจักเราเนี่ยรู้สึกว่ามันซึ้งใจที่สุดเลย อ่านกวามไม่ดีที่คนอื่นทำเราเน่ะมันไม่มีอะไรหรอกไม่ภาษีภาษาถ้าเราปฏิบัติทรรมเนี่ยว่ใช่จะมาดั่งเศ้ามองนั่งคิดตั้งมีอารมณ์ยิ่งเมื่อเกิดกับเราเกิดปัญหายิ่งง่ายๆส่วนตัวมองตนหนึ่งชัดเกิน คืออะไรคืออะไรมันจะต้องมองเป็นเรื่องจิบจ้อยเรามันยิ่งใหญ่เังนั้นปฏิบัติธรรมมันเป้นไปเองถ้ามีสติตใช้สติยิ่งใช้ยิางมากยิ่งมีพลังนี่พวกเรามาอยู่ในป่าในธรรมาชาติ เมิเป็นเพื่อนก็นยิ่งเป็นพลังสนับสนุนยิ่งเผื่อคนอื่นก็ลบเพื่อนคารมมิตรมากขึ้นยิ่งได้ยินเพื่อนพูดเรื่องธรรมะก็ยิ่งมีกันแลนมิตรอุ่นใจแสดงออกทั้งความอารมอาอกเข้าใจจึงกันและกันช่วยเหลือกันและกัน ไม่ได้ปล่อยกันคนหนึ่งโดกคนหนึ่งลำบากที่อย่างนั้นไม่ได้ดูเราอยู่กับเพื่อนกับมูพวกเราก็เหมือนกันอยู่กับแม่ชีอยู่กับคนบบว่าญาติโยมยิ่งสำลักเสริญเขาเราก็เป็นนักบวดอาจจะมีอะไรที่มันควรจะช่วยเขา มีดีกว่าเขาก็กระตือรร้นที่ช่วยเหลือเขาลูกมากที่สุดเห็นแม่ที่ทำอาหารเห็นทำโน่นทำนี่มีความคิดว่าจะต้องหาความสะดวกจากคนอื่นเห็นเขาช่วยเราก็ยิ่งอ่อนลงน่าลดตัวลงมาไม่ใช่เยอะจริงเขาโลก กลัวหลแม่ชีก็ถักสาตะคดเยียวให้ทางที่ไม่ไดีขอยิ่งกลัวแม่ชีไม่แน่ใจแต่าดแม่ชีอู่เท่าหัวอยู่ด้วยยังคิดช่วยเราอยู่ยกมือไหว้กราบเคารเราอยู่คุณอาจารย์คุณอาจารย์ก็ยิ่ง กลัวมากความดียิ่งทําให้ตัวเองไม่ประมาทไม่ใช่ว่าอะเรียกร้องใช่เขาเวลาบินตาบอดไปกับเนนน้อยเนินน้อยจะรับบาดไม่น่าสนใจวินตบอตออกมาจากบ้านเราเนนน้อยวิ่งออกมาข้างหน้าเขาขอลั บ, บาดโ อ, อ้กลัวเนนไม่นําสนใจเนาะตัวเนนน้อย ตัวงก็หนักเหลือมขอช่วยเราอยู่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ยังมาขอช่วยเราอยู่ไม่ให้เลยไม่ได้ปล่อยบาทตั้หลักให้เนธด้วยตัวเน้อยเหมือนที่เห็นฮะสำนักบางสำนักเนธตัวเน้อยไอบาทสองบาทบาทหนึ่งข้องคออุอ่นไปวิ่งจับจับไป วางหบาลงสมบัติหัวเศรษฐีบอาจารย์ก็เดินเสยอุ้ยทาไม่ได้อย่างนั้นนะไม่สอนพระสอนเนนไม่ต้องให้ใครช่วยอย่างนั้นเนนจะรับไปจิตรับไปเขาช่วยตัวเองหลวพ่อเทียงก็เขาไม่ใช่ชี้ข้าเรานเนนเขามาบวดเขาเพื่อมาปฏิบัติ ไม่ชีเขามาบวชเขาเพื่อมาปฏิบัติญาติโยมมาอยู่วัดอยู่ว่าเขาเพื่อมาปฏิบัติไม่ใช่เขามาเป็นชีข้าของเราให้เขารบเขาหลวงพ่อเถือนก็พูดว่าชัดแจ้งชัดเจนลบไว้อยากเห็นแม่ชีไปเจ็บฟันขักฟืนบางทีแม่ชีมา ไ, ไปหักดอกไม้ในวัด บางทอยู่ก็จํานวนมากอาหารไม่พอหากต่อม้อยไหมแจ้งฉันเพนหฝนขวายที่จะให้หลงอ๋อให้หลอยบางทีเราก็ช่วยหากต่อม้อยช่วยอยู่ในวัดเราเองน้ำล่างบาทไม่ชีก็ไม่ทิ้งของน้ามล่างบาทให้เทใส่กระมังอย่าไปเททิ้ง เทชเลมังจะไปล่างทั่วจะไปรดพริกลางถ้วยล่างชามมีต้นพริกพอได้เฉียบมาตมน้าพริกนิดนหน่อยน่อยโอ้เราไม่เคยเห็นแม่ชีว่าขอหน้ามลำบากแต่ล่างถ้วยไปหดไปลดต้นพริกอีกล่างถ้วยแล้วเทสาดใสต้นพริกอยู่ข้างๆที่ล่างท้วยล่างชาม โูกเออความละเียดปานี้ขึ้นมาจากความไม่ดีจากความดีเพื่อเหมาสอนตัวเองปฏิบัติทำไงไปเราจึงให้เคารพกันให้ช่วยกันอย่าหาความสะดวกอยู่วนความเหนื่อยล้าของคนอื่น ให้เคารพกันอยู่เหมืนกับพ่อกับแม่มองผู้หญิงเหมือนแม่ไอ้แม่ชีผู้หญิงงองพระเหมือนพ่อเหมือนพ่อเหมือนแม่แตัวลกจิตใจมันก็จะอ่อนเหมาะใจการบรรลุธรรมไม่ใช่เรียกร้องทิฏฐิมานะเยอยิง่งยิ่งใหญ่ ข i งคนอื่นเขาเลี้ยวกัวเราเราดีกัวเขาเรียกไม่ใช่ก็ชี้ชมือชี้ชี้ไม่ต้องเรียกว่าชี้เรียกว่าแม่ชี้เต็มปากแม่จะเป็นเด็กเด็กสาวๆก็เรียกเขาแม่ชี้ถ้าวัดเป็นแม่ชี้ต้องบุเรียกว่าแม่ชี้บางว่าจะเรียกชี้ว่าชี้ชี้ชีนี่ยก็ว่ามีเบี้ยค่าเลย ยังเห็นแม่ชีไปหาแผเรี่อะไรโอ้หยุดเลยพวกเราจึงให้เคารพก่อนอยนู่พวกเราอยู่นี่ถ้าจะพูดเราก็มีสามพี่นอ้องในแม่ชีทุกวัดให้เคารพก่อนาวานก็ไปวัดผูด้เขาท้องหน่อยหนึ่ง ใดูเลยไม่ขี้ด้วยเด้อเรามาได้สวนมนสดพรเหนเรามีปัจจุงปัจจัยเขาแบ่งให้เขาเขาก็ทำงานหนักงานทั่วังสามตั้งแต่ฉันจ้าจนฉันเพีนฉันเพเนเฉดจึดงไดจลางทัเราจึงได้เงียบทงที่ฉันหัวฉันไม่ใช่อาหาันเดี๋เดี๋ยวเจ็บปวดทุกทิ่ทุกยาง โด ป, ประวัติผูทองหนี่ยขอให้ไม่ขี่ไปอยู่อะไรกไดีขึ้นกว่าพระอยู่โดยซ้ำไปพระอยู่โลกลลงหลังพระชีวรที่เอาไว้บวชเน้นเหม็นคู่ทั้งว่าทั้งตู้ไม่ได้พับใด้เลยเต็มตู้ม้วนม้ว น, วนยัดเข้าไปม้วนม้วนยัดเข้าไปพระมีแต่พระหนุมหน่ม ผมไม่ชี้ไปอยู่ก็สักเป็นแรมเดือนเจ็บโน่นเจ็บนี่เจ็บทุกซักซักแล้วก็เจ็บภาพไว้เป็นระเบียบเหมือนไม่ชี้หัวอยู่นี่เลยขอย่องย่องไว้ชื่อระเบียบห่มก็สัก อ, อยากจะกราบไหว้แมชีมากกว่าพระเพราะฉะนั้นนีอะไรก็จากให้ได้มีอิสระมีความสุกระเบอือกันช่วยกันบอกพระถูสลช่วยเมยชีก็ไม่ค่อยถูกไม่มีนิสัยถูสลาพระวัดปาวัดภู้ขตทอ ง, ทอง อ่อให้ตรงเหม่งไปอยู่เนี่ยเออหายใจโล่งหน่อยหวานเห็นผ่ากันเอาดินเข้าวัดโดยถมทางโบจะตกแต่งตัว น, นั้นเอาเลยเอาเลยต้องเหม่งเอาเลยผมอยู่เชนี่ผมอยู่เชนี่ไม่มีอะไรอีกแล้วอยากทำอะไรต้องมันดีก็ทำไปเลยแต่ว่าช่วยกันดูไม่ขี้ด้วยและรับควาสะดวกสงบปลอดภัยทุกรูปแบบ เจ๊งเนีผู้หญิงเนีทุกวันนี่ก็ถือว่าได้กินกับพ่อผู้หญิงไม่ตายกับพ่อผู้หญิงนะขีอวดแต่พอต้มข้าวเนี่ยอยากให้มาชี้อวดไปเลี้ยงกับขุนหมูนะก็ <c oughs> หมูต้ขนะมข้าวเป็นแผ่นเลยนะน้ําข้าวเป็นแผ่นบางทีจะก็โตต้มข้าวเลยบางทีก็เท่อนน้ำบางทีก็ลินน้ํา ว่านั่นไม่ค่อยมีประโยชน์อย่าให้ต้องลิ้นนำต้มข้าวเป็นแผ่นเรียงคุนหมูนะยังคิดว่าเออเรากินแต่ต้มข้าวก็พอแล้วถ้าต้องเป็นถ้าต้มไม่เป็นก็กินไปได้นี่ยังอยากจะวอยู่เห็นรูวัดตาผู้ทอง เย้ยอากาศของเจ้าเลยสุดยอดที่หลังเขาลูกนี่ที่วัดตาดผู้ทองสุดยอดด้เขาลูกนี่ที่อยู่ผู้หลงก็อยากไปเชียงเลยเขาเลยจุดก็โตก็อยาไปเชียงเลยเขวัดตาดผู้ทองเนี่ยสุดยอดที่สุดเลยในชีวิต ต่ไปอาจจะไปหน้าเลยไปนะไปอยู่ตาปูต่ออ่อคิดไปอย่างนี้นะบางทีอาจจะชวนอาจารย์ลื่ไปอยู่เล่นกังบันมีน้ำมีไรไปดื่มมีของฉันนิดฉันเล็กน้อยเออจอดรถไว้ที่โ น, น่นนอนเล่นนั่งเล่นปฏิวัติทำเล่นเล่นอยู่ที่นั้นไว้กินอากาศบริสุทธ์ เงินเรากกลับมามาตาดโทองสุดยอดฉบับวัดที่หลังเขาลูกนี่มีแสงแดดบ้างนีป่าไม้บ้างนีลมบ้างบวกเข้ากันออกซิเจนจากต้นไ ม, ออนม้ออกซิเจนจากลมออกซิเจนจากแสงแดดบวกกันเป็น วิตามินไม่มีชื่อสหรับชีวิตจริงๆเดือนยิ่งมีธรรมะมีใจเข้าไปจิตวิญญาณเข้าไปกระเซิดเลิศที่เดียวแลือทีนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นต่อไปรอเข้าต้มนั่นน่ะตัวอบมาบ ด, บดมีเตาอบอบใบเข้าไป ตอนนี้เขาพอแล้วต่อไปชีวิตเน่เหมือนกับเราก็เป็นไก่แจโคแกะอูเจ๋แกต้องหลีกห่างอยู่ในขอบของหมูโ้หมูไม่ค่อยได้ไม่มีแรงที่จะไปเสียดสีเวียดเวียนหลบลีกให้เป็นอี้ล่ะ กั้กะไก่แกตัวดังอยู่วัดว่าสุประตูตอนนี้นจอนวิพ่วยไปนอนอยู่เล่นอยู่มานอนอยู่ที่นั่นไกลแก่หลีกเด่นเล่นไปเดินดเดินตามทางเห็นปุ่งอยู่ไหนหลบลีกไปเห็นเข้าป่าเข้าพงไปเหยียบยอาเหยียบพงไ ป, ไปเหยียบถนนทาง หลบเลี่ยงไปเราเห็นใครเจอนะเปรียบเทียบกับเราโอ้เหมือนกับเราะนี้ยนข้าวใกินมันก็ไม่ลุกดิลุกหลกนมองหน้ามองหลังค่อยคยย้อนเข้ามาบัน ท, ทีก็ไม่ก็ยืนดูเฉยๆฉยหลับตาปิป๊บๆดูอูเจ๋เจ อ, อยู่อยู่มวงลังกระบัดเลย ที่เดินทางไปทางเขาทาั้อัชันต้าเอาปล่อยทิ้ไงไว้อลังกาบาดแถ่นั่นมิเตภูเขาจิดาแจ้งทึบไม่มีต้นมไม้ม่เป็นหญาหาเหลียกินตะวองเพชรเดินเจอชักเจอโจผู้คนย้ายหนีหมดอันเป็นปายุฝุ่นอยู่ไม่ได้หัวเจ๋ก็เดินเจอชักเจอโเขาไม่เอา ไม่เหมือนโคแก่ที่ในพาราณสีเป็นเจ้าของเมือง น, นอนตามถนนทางอาหารการกินขยะเป็นเทศบานเจ็บขยะโคแก่หมูป่าเจ็บพูดคนไปถ่ายไปขี้ดำวิ่ต่างๆพวกหมูป่าพวกนี่หาเจ็บเป็นเทศบาลให้ ก็นั่นก็ชีวิตของเรานี่นก็รอเป็นไก่เจ่โค่เจ่อยู่บ่อยอาศัยหมู่อาศัยเมื่ออยู่แบบเราขับรถเป็นจะไปนอนอยู่เล่นกลางวันอยู่ทุกวันนะป๋าศาสตร์คุยทองนะไปไหมพวกเราไปอยู่เจ้าวันไหมแ้ว <laughs> เราจะปฏิบัติรตรรมเน้นปฏิบัติธารมเพื่อทำเพื่อทำเพื่อทำอย่าไม่ชีวิตอยู่ในรูปแบบใดก็เพื่อธรรมะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมว่า ต, ต้องให้พอสมควรซ้องขึ้นมาในตัวเราสิ่งแวดลอมกิจวิญญาณสังคมเุรษ ก, กิจอาชีพการงานระเบียบวินยัย ให้อยู่กับเรื่อกับตัวเสมอแม้อยู่คนเดียวก็มีชื่อเหล่านี้จิตวิญญาณไม่ปล่อยทิ้งไม่ให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ไม่เกิดมากเกิดผลตลอดเวลาสังคมแม้เราอยู่คนเดียวก็เป็นสังคมไม่ทํำอะไรแต่รอนถือว่าช่วยประเทศชาติอยู่เวลานี้เศรษฐกิจก็ไม่พุ่งเ พ, พื่มพุ่งปวย ไม่ได้ทาอะไรให้เกิดความเืียหาถ้าพอจะทาให้ดีขึ้นมาก็ทกําะบายทำบ้างอย่าปล่อยทิ้งนี่ากระดูก็เห็นหูอะารต่างๆสัมผัสได้ในโลกนี้อันสิ่งที่กวเจะขายอาชีพก็ให้เป็นไม่เบียดเบียนตนไม่เบีแดเบคนอื่นชอบทาให้เป็นทุกเป็นโทษ เบียบวินัยคือธรรมะคิดไรไม่เป็นที่จะช่วยแต่คนอื่นเผยเมตตากนาเสมอใจอยากให้แม่ชีเนี่ยเป็นผู้นำหลงต่อไปดูศาสนาพวกสูนมหายาณที่ยหญ่ที่สุดในโลกคือไต้หวันเนี่ยผู้หญิงแม่ชีพิษุนีเป็นผู้นำ ในชาสนาพระไม่มากพิกษุนี้ก็บรูปพะส5ห้ารูปทั้งนั้นเองแต่ทำงานทำการทุกรูปแบบเป็นภิกษุณีทั้งนั้นออกขว้ยแพร์ฉันเสร็จแล้วก็ขับรถกละกันละนลออกกว่ามีเครื่องมือเครื่องสอนขครื่องฉาย v ดีโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า เข้าถึงกว่าบ้านได้ดีกว่าพระกับผู้หญิงจนรัตบวานไต้หวันก็ว่าแล้วก็วิตกกังวลมากไต้ห ว, วันพวกผู้หญิงสาวๆจบเรียนจบโลงออกบวชกันทั้งนั้นไม่ทามานทาการวิตกกังวลว่าผู้หญิงที่มีคุณภาพอากันออกบวชหมดมีเตปริญญา สาวๆท่านั้นพ้าก็ไม่มากจากเวียดนามเนี่ยไปขอาจานตูน้ไหนวิเต่หนุ่มๆสาวออกบวชกันแต่รัฐบาลเวียดนามไม่ใช่นาตะนวนเราคุณจะมาอยู่นี่ต้องศึกประธมานอยู่นี่ไปได้จนหนามาอยู่บ้านรำที่เขาใหญ่วิเต่หนุ่มสาวท่งนั้นเวียดนามออกบวชกัน อยากให้ไม่คีไทยเนี่ยนำจากจนาั้นเดาเราจะพอที่ไม่ซื้ออุจไปเลยแล้วสังคมที่นี่ชุมชนที่นี่